สมรสนการค่ะท่านอาจ า, าจรย์รคะอาจารย์เรนพรค่ะท่านอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกจกังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ฟังฟังเรื่องของดาราทั้งสองคนแล้วน่า ย, ยินดีนะคะท่านดาราใฝ่ทำเพราะว่าดาราเขาจะมีโอกาสไงคะที่จะทําให้สื่อเนี่ยเอามาขยายผลอืมใช่ใช่ใชด้วยค่ะกรณีอุทิศ ร, ร่างกายใส่ลงแก้วให้คนไปพิจารณากันหลังจากเสียชีวิตแล้วท่านคิดว่ายังไงคะพระเจ้ามีกรรมฐานข้อหนึ่ง มีบทการพิจารณาข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไปก็คือการพิจารณาซากศพที่พึ่งตายก็ดีได้วันสองวันเขียวขึ้นอืดอะไรจนกระทั่งเป็นหนองจนกระทั่งไม่เหลือกระดูกอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ามามองหนีว่าถ้าสมมติว่าใครสักคนใดใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเห็นซากศพซักซากศพใดซากศพหนึ่งเนี่ยแล้วมาพิจารณาเนี่ยในขณะที่คนที่กําลังพิจารณาอยู่เนี่ยได้หลุดพ้นเป็นโสดาบัน หรือเป็นอริยะบุคคลขั้นในขั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันจะได้บุญมหาศาลอืมในถึงชิวของร่างนี้ได้บุญใช่สิเพราะว่าเราเป็นวัตถุเป็นนิมิตในการทำในให้ให้บุคคลนั้นพิจารณาค่ะเนื้อเรื่องนี้เป็นอ่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ก็น่ายินดีที่ที่สามารถทำได้ค่ะเอ่อต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณคุณกบเนี่ยจัดว่าเป็น ผู้หญิงที่สวยมากถึงขนาดมีรางวัลของความงามเนี่ยการันตีเป็นนางงามนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยขนาดอายุจะ80อยู่แล้วคนนา ง, งามเก่าเนี่ยนะคะก็ยังพยายามทําให้งามอยู่เสม อ, อ, อแล้วก็อาจจะไม่ชอบให้ใครมาเห็นตอนป่วยยิ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเน่าเป่วยผุพังอันนี้จินตนาการไปว่าคนที่รักสวยรักงามคงไม่อยากให้ใครเห็นเท่าไหร่ อ, อแต่นี่ยินดีจะให้เห็นเลยเป็นธรร ม, มาชาติเป็นธรรมาดา ท่ะทีนี้ตัดตอนมาจนเรื่องของการพิจารณาเลยอยากทราบอะคะ่ะว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าพระสงฆ์ปัจจุบันนี่มีจํานวนมากที่บางทีก็ไปขอดูอาจารย์ใหญ่เช่นเดียวกันกับนักศึกษาแพทย์ไปพิจารณาไปที่โรงพยาบาลอาจาก็เคยไปที่โรงพยาบาลสุราเนอค ะ, ะไปดูอะไรคะท่านค ะ, ะดูคนคนป่วยเนี่ยแหละว่าเพราะว่ามันมีห้องฉุกเฉินใช่ไหมห้องบัติเหตุหน่วยอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะรับคนมาพวกที่ ตายขารงพยาบาลก็มีเราก็ไปดูพวกนั้นว่าเป็นยังไงโอขาไปทางนี้อุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุอย่างอื่นสมองแยกไปอีกทางหนึ่งมันก็เป็นเป็นกรรมฐานได้ส้มองให้เป็นธรรมะมันก็เป็นได้เหรอคะแล้วพูดถึงกว่าคือปกติเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าคนทั่วไปคงใช้คล้ายๆกันไหมคะมเวลามันเห็นแล้วมัน สลดสังเวชหรือว่าสยดสยองก่อนอาจจะเป็นความรู้สึกนั้นก่อนก็ได้นะคะพระเจ้าจะบอกว่าจะเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยโอ้จริงๆตัวเราเนี่ยก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้นะตีละขั้นตีละตอนก่อนพอเห็นสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้น้อมมาพิจารณาว่าโอ้ไอตัวเราเนี่ยก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไอคําว่าตัวเราจะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้เป็นเหตุทําให้เกิดผลอะไรให้เกิดผลจากความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในการที่จะไปยึดติดในกายนี้พอคลายความเบื่อหน่ายในการยึดติดในกายนี้ก็จะคลายกำหนับพอคลายกำหนับปุ๊บ ก, ก็วางได้วางจากความเป็นตัวเป็นตนอือนี่เป็นขั้นเป็นตอนที่วุฒิเจ้าอธิบายการที่จะเบื่อหน่ายนิพิธานิพิธานะคะและคลายกําหนัเนี่อะไรนะคะอ่าก็ก็กคลายกำหนับนี่แหละอืมคือพอมันเบื่อพอมันเห็นปุ๊บมันรู้ว่าความจริง ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสวยงามเพราะมันเป็นสภาพร่างกายที่มันยังสมบูรณ์แต่ถ้ามันแตกสลายมันก็ไม่สวยงามอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่สวยงามเราไปหลงติดยึดมันเองเท่ากับว่าเรากําลังยึดติดในสิ่งที่มันไม่เป็นอนิจจังหรือเปล่าคะสิ่งที่เป็นอนิจจังอ๋อขอโทษค่ะ <c oughs> เราเท่ากับว่าเรากําลังไปยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะคะเราคิดว่ามันเที่ยงคือคิดว่านิจจังก็เลย ก็ได้เป็นทุกเพราะฉะนั้นจะคลายความทุกนี้ได้ต้องเกิดความนิพิธาอืถ้าบอกว่าไอท้ที่ทุกวันทุกวันนี้เราดูของสวยๆงามๆซึ่งเขาจงใจให้เราดูนะคะของสวยๆงามๆเนี่ยเพราะว่าพราะพุทธเจ้าตรัสนี้นะว่าการดูของสวยงามเนี่ยเป็นข้าศึกเป็นเสี้ยนหนามต่อการพิจารณาอสาุภะอสุภะก็คือการพิจารณาของไม่สวยไม่งามทําให้เกิดความคลายกําหนัดอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นคะถ้าอย่างนั้นก่อนเราจะตายอย่างเงี้ยนะคะ สมมุติว่าแทนที่บางคนก็อาจจะแม้คิดว่าร่างกายเรามันก็ไม่น่าดูอาจจะไม่มีปัญญาซื้อโลงแก้วใส่นะคะให้ใครดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไปดูเราหรือเปล่าตอนเราไปตายไปแล้วอยากทำบุญในนาทีสุดท้ายกับร่างของตัวเองเนี่ยอไอตอนมีชีวิตเนี่ย ออกไปเจอผู้คนในสภาพสุดโซ่มากๆให้คนเขาปรงสลดสังเวชอย่างเงี้ยได้บุญไหมคะท่านก็อยู่ที่เจตนาของเรานะ <kh> แต่ไม่ได้เจตนาที่ว่าจะไปออกไปหลอกคนอื่นนะใช่ค่ะคือคิดอย่างนี้กับท่านคะอันนี้มองให้แบบตลกตลกนะคะแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเออเราเนี่ยจะไม่ไปเสริมแต่งให้มันผิดจากธรรมชาติหรอกแต่เราจะให้คนเขาได้เห็นไงว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเป็นไป ต, า, ตามทางของมัน นะคะมันจะเป็นไปนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้คนเขาเกิดความเชื่อว่าเออจริงๆนะธรรมชาติมันเป็นแบบนี้<ม>จงเคารพธรรมชาติจงอย่าประมาทกับมันแล้วจงรู้ว่ามันไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนะัไงคะไม่ได้บุญหรอคะท่านอย่างเงี้ยออยู่ที่อยู่ที่เจตนาของเราแล้วต้องดูที่ความเหมาะสมค่ะโยมมีโยมท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้เคยมาเล่าให้อดัมมาฟังเขาบอกว่าเนี่ยไปข้างนอกเนี่ยเขาไม่อยากแต่งตัวทําผมทําอะไรมากแต่ว่าเพื่อนที่มารับเนี่ย ขับรถเบนซ์มาเลยค่ะในงานสโมสร อ, อย่างสวยหรูเราก็แต่งตัวซอมซอ้อซอมซอรธรรมดาคือประเด็นต ร, ตรงนี้ที่อาจจะมาจะพูดถึงว่าเราต้องดูความเหมาะสมถ้าเราแต่งตัวไม่ดีเข้าสังคมที่ที่เลิศหรูใช่ไหมทำให้คนอื่นเนี่ยเขาขรหาเราได้ผู้นั้นเนี่ยจะได้บาปจากเราอืมเราเป็นเหตุให้คนเขาทาบาปแล้วก็ผิดอย่างนั้นเหรอคะต้องสิเพราะว่าไม่เื้อเฟื้อกับผู้อื่นอืม เพรา ะ, ะ น, นเราควรจะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยเอาความเหมาะสมพอดีพอดีอดไม่ได้แต่งให้สวยเลิศหรูแบบไปประกวดนางงามแต่ก็ไม่ให้น่าเกลียดจนเกินไปงั้นบางทีคนที่ได้ข่าวว่าแหมคนนี้เข้าวัดโหเข้าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นงานหลักเลยแต่พอเจออีกทีนึงใส่เพชรพลอยพริ้งแต่งตัวหรูหราในงานใหญ่อย่างเงี้ยก็อาจจะนึกว่าแหมนึกว่าเข้าวัดแล้วจะละได้จริงจริงแล้วก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้อาจจะคิดผิดได้ใช่ไหมคะ ได้เพราะว่ามันมันไม่แน่ด้วย อ, อย่างนางสุชาดานางสุชาดาก่อนจะเข้าวิหารเชดดรวันเนี่ยมีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่โอโ้โหประณีตมากค่ะชื่อว่าอะไรธรรมะก็จำไม่ได้ก่อนจะเข้ามหาวิหารเชดร์วันเนี่ยก็ถอดเครื่องประดับนี้ไว้ก่อนนะพอออกมาถึงก็เอาถืนก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าเคารพธรรมก็เลยแต่งพอประมาณมาวัดแต่ถ้าไปงา น, นี่ก็ต้องแต่งให้มันเต็มที่นิดหนึ่งคือเท่ากับว่าไปวัดนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่า จะต้องอไม่แต่งตัวซะเลยเอาพอควรแก่การใช่พอประมาณพอประมาณค่ะเพราะบางคนก็มาค่อนว่าคนอื่นนะคะคืออาจจะคิดว่าเข้าวัดแล้วต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นถึงจะเป็นการแสดงความเคารพพระภิกษุสงฆ์หรือเคารพในพระรัตนตรัย อ, อย่างนั้นคิดถูกหรือคิดผิดคท่านคะที่ทต้องนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด เราตามพุทธวจนะเลยน ะ, ะพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องแต่งกายของคนเนี่ยคือศีลทําศีลให้ดีหมอเครื่องแต่งกายนี่คือศีลถูศีลเนี่ยคือวันณะของคนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใครจะว่าอะไรยังไงถ้าเราเป็นผู้มีศีลไม่เป็นไรเราจะทาหน้าแต่งตัวใส่แหวนเพชรกี่วงแต่เราเป็นผู้มีศีลใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอศีลนี่คือวันณะของคนค่ะ มันอยู่ภายในไม่มีใครทราบได้แล้วถ้าสมมุติเกิดเราไปคิดในใจว่าคนที่เขาเป็นที่ปรากฏหรือเขาเอาจจะบอกคนอื่นว่ารักษาศีลเราจะคิดค่อนว่าในใจเวลาไปเห็นอะไรคพิ่นิดๆหน่อยๆนยี่มันบาปไหมก็ได่าบาปสิไปเป็นเขาเรียกว่ามีอคติเพราะว่าความความหลงอ่อพาพระพุทธาจ้าชกรมว่าพยาคติโมหคติ เพนผู้ที่ยังละตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีความทุกข์อยู่คิดดูนะว่าเราไปคิดประมาทคนอื่นสามารถคนอื่นว่าไ hey, อ้คนเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยนั่นอาจิตเราเป็นทุกข์นั้นนะวินาจีนั้นค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรู้ว่าละจิตตัวเองว่าอ๋อจิตเราคิดไม่ดีละดึงกลับมาดึงกลับมาให้อยู่ในลมหายใจยทีนี้มันก็เป็นเรื่องวาระจิตปกติของคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมการกล่อมกลามันทําให้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ว่าสมมุติว่าเราคิดว่ามาตรฐานของคนแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นแบบนี้ในภาพที่พยายามนำเสนอนภาพลักษณ์เนี่ย uh huh. แต่พอเวลาเราไปเจอตัวตนเข้าจริงๆเนี่ยเอ๊ะมันไม่เหมือนกับที่เราที่คิดถ้าเราคิดไปเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันไม่ถูกใช่ไหมคะมันจะต้องอย่าไปคิดเช่นนั้นอ แล้วถ้าเกิดมันคิดไปแล้วแต่ดึงกลับได้เนี่ยไอ้ส่วนคิดไปแล้วเนี่ยพอดึงกลับได้มันไปลบกันให้ถูกไปได้ไหมคะท่านเ oh, uh, ถ้าพระพุทธเจ้า บ, บอกอย่างนี้ว่าถ้าถ้าไอ้ที่คิดผิดไปแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็เลิกละเสียแล้วก็ทําสิ่งใหม่เนี่ยให้มันดีอันนี้เป็นความเจริญในของผู้นั้นในอริยพินัยนี้ออืก็ไม่ได้ทำแล้วไปไม่ <c oughs> เป็นไรทําของใหม่ให้ดีแค่นี้พออ ขอทอนหายใจเลยได้ไหมคะเพราะบางทีเราเป็นปุถุชนเนี่ยมันอดไม่ได้จริงๆนะคะถ้าอาจารย์คะทีนี้มีเพื่อนดีคุณยงสังกณีต้องมีเพื่อนดีค่ะต้องมีเพื่อนดีต้องมีเพื่อนดีนี่เพือพ่อนหมายถึงคนอื่นหรือว่าเพื่อนคือจิตของตัวเราเองกันไหมคะเพื่อนคือมักแ8ดเเพื่อนคือมักแป<ช>อ๋อค่ะมิตรดีคือมักแปสัมมาต่างๆท่านที่ยังไม่ทราบเพิ่มมาฟังรายการแล้วสนใจเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากัน เรื่องสัมมาเนี่สนุกนะคะแล้วก็ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ด้วยแต่ขอแวะเรื่องเครื่องแต่งกายของคนคือศียนิดนึงเพราะว่าวันก่อนค่ะขับรถมาบนถนนรามอินทรา<ม>ช่วงสักประมาณสามสี่ทุ่มสามทุ่มกว่านะคะเกือบเกือบสี่ทุ่มรถมันก็ยังพอมีพอสมควรเพราะเป็นวันที่มีงานแต่งงานเยอะเป็นวันฮอลลวีนปรากฏว่ามีคนขับรถนะคะ เนี่ยเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากหลุมเขออ า, ภายอภัยงนี้ดิฉันกําลังว่าคนอื่นคืออีกหรือเปล่าคะ <c oughs> ่ะคือขับแบบเรียกว่าซอกไปแทรกมาหวาดเสียวมากไปกระทบรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งกระทบรถตู้อีกคันนึงแล้วก็ยังไปอยู่เรื่อยของเขาอย่างเงี้ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าตายแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็บอกเออขอให้ตลอดรอดฝั่งนะคนแบบนี้นี่น่ากลัวนะคะเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเกิดร้ายแรงเพราะว่ารถเขาวิ่งเร็วมาก อย่างนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเคย อ, อุ ป, ปมาอุปมยไว้ค่ะว่าพระสงฆ์ของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับอ่าคนที่ทุศีลหรือคนที่มีความประพฤติไม่ดีงามเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นคนดีก็ตามเนี่ยนะถ้าเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยคนหนึ่งก็จะมองว่าเราอาจจะไม่ดีไปด้วยถึงแม้เราจะทำดีก็ตามนะพระเจ้าอุปมาอุปมาเปรียบเหมือนกับมีไม้ท่อนหนึ่งหัวทั้งสองข้างปลายทั้งสองข้างเนี่ยติดไฟอยู่แล้วตรงกลางปื้นอุจจาระ จะจับตรงไหนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นโทษทางนั้นเลยจับตรงกลางมือก็เปื่อนอนืจับตรงไปล <c oughs> ร้อน <c oughs> เห็นภาพเลยค่ะท่านเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราไปใกล้คนที่ไม่ดีเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นคนดีใช่ไหม <c oughs> อย่างใ น, นกรณีของรถเนี่ยเราอยู่เฉยเฉยก็ตามเขาอาจจะมาชนเราก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ไกลๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้นั่นเลสิคะทีนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้ยังไงเสีย ถ้าสมมุติว่าในจิตของคนร่วมถนนของเขาคิดแล้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เ, เขาคงจะลําบากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องคิดว่าคิดไม่ดีกับเขาแต่ทีนี้เราในค่ะในฐานะเป็นคนอื่นแล้วก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากเขาหรือห่วงใยคนที่ร่วมถนนคนอื่นซึ่งอาจจะได้คําความเดือดร้อนเพราะเขาเนี่ยอ uh huh. เราจะคิดกับเขายังไงที่ดีที่สุดทั้งเราและเขาค่ะ uh huh. คุณสุโรบายที่พระเจ้าบางเอาไว้ก็คืออุเบกขาเป็นพระวิหาร คือเครื่องอยู่ของอความเป็นพรหมของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมหนึ่งเมตตาใช่ไหมถ้าเราพอจะช่วยอะไรเขาได้เราช่วยอนุเคราะห์สงสารนี่คือเมตตาให้อย่างนี้เป็นตน้นสองถ้าเขามีความทุกข์เราช่วยเหลือคือกรุณาถ้าเขาทําความดีประสบความสําเร็จเรามีความยินดีกับเขานี่คือมูทิตาแต่ถ้ามันเหลือขอจริงๆช่วยอะไรไม่ได้แล้วทําทุกอย่างแล้วไม่ขึ้นเลยอุเบกขาซะ 4, 4อย่าง<อ>ูเบกขาแต่ดิฉันคิดว่าที่ตัดสินใจคิดที่เข้าไปตลอดรอดฝังนะคะ uh huh. เพราะมีความรู้สึกว่าเ อ, อใจแล้วก็จะได้สบายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าให้ตลอดรอดฝังจริงๆคคนอื่นจะได้ปล่อยปลอดภัยไปด้วย uh huh. คิดดูคุณโยมศาสนกคิดอย่างนี้ใช่ไหม uh huh. นี่คือกรณีที่หนึ่งถ้ามีอีกบุคคลหนึ่งคิดว่าโอ้โหอันนี้มันช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้และความคิดนี้ยังติดไปอีกสามวันเนี่ยโอ้โคนนี้ก็จะเป็นทุกข์มาก เหมเพราะฉะนั้นการที่เราคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคือ <c oughs> คิดถึงว่าอย่าได้มาร่วมถนนกันอีกเลยแล้วก็คิดว่าอย่าได้ไปคนค น, คนนี้ต้องเลิกขับรถอะไรย่เงี้ยค่ะค่ะคงจะเข้าใจว่าคงจะไม่มีศีลข้อดื่มสุราค่ะ <c oughs> แกิถึง <c oughs> ได้ขับรถแบบนั้นอืทําให <c oughs> ้ดื่มเครื่องดื่มที่ทําให้ตั้งอยู่ในความประมาท ก, ก็เป็นโทษแล้วค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้ เข้าใจว่าต้องพอควรแก่เวลาอีกเช่นเดียวเหมือนกับวันอื่นๆนะคะไว้มาพบ ก, กับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนในถามโลกตอบธรรมกันได้ใหม่ในวันต่อไปน้มสักการขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคะ่ะ